เกือบนาทีเต็มๆที่พญาศัยใหญ่เองตัวลงฟ้าทับไม้อื่นๆจนกระทั่งในที่สุดตลอดทั้งลำต้นก็ราบลงมาอยู่กับพื้นดินในลักษณะกระแทกถึงพื้นโดยไม่มีอะไรสามารถจะมาทานรับไว้ได้แล้วก็กระดดนขึ้นนิดนึงหลังจากนั้นก็ยวบลงไปสนิบกลายเป็นพงป่าย่อมๆบางกิ่งก้านสูงที่ชี้สูงขึ้นมา และต้นไม้ในแถบละแวกนั้นก็หักสะบั้นราบโล่งไปตลอดแนวความยาวของมันกว่าสามสี่สิบเมตรทำให้สภาพอันเคยรกทึบไปด้วยยอดไม้สูงเสียด ฟ, ฟ้าปกปิดพื้นดินไว้ณกบริเวณโปร่งโลง่งมองเห็นอะไรต่ออะไรถนัดตาขึ้นโดยเฉพาะแผ่นฟ้าอันสว่างแจ่มใสา ย, ยามเช้าปลายยอดหรือแนวของลำต้นส่วนใหญ่ของมัน หันไปทางทิศ ต, ตะวันตกอย่างแม่นยำตามข้อกำหนดของระพินและตามหลักการวางระเบิดของคีตโดยไม่คลาดเคลื่อนไปเลยจอมพรานตบไลคีตหนักๆนายนั่นหันมามองเขาเขาก็ยื่นมือไปให้จับพร้อมกระ บ, บีบแน่นและเขย่าแรงๆแทนความหมายขอบใจและพอใจคีตหัวเราะฮ่าๆออกมานิดนึงส่วนเชิดบุตรเป่าลมพลูออกจากปาก เอื้อมมือข้ามหลังระพินมาตบท้ายทอยของคิดพร้อมกระบอกมาเป็นประโยคแรกว่ามือวางระเบิดนายนี่แน่จริงๆว่าคิดและฉันก็เชื่อแล้วล่ะว่านายน่เคยระเบิดทีจุดห้าสีของเวียดกงมาแล้วไอเรื่องเดินป่าน่ฉันไม่รู้หรอกแต่ถ้าจะให้ระเบิดอะไรหรือไปกู้ระเบิดที่ไหนขอให้บอกพันเอกแห่ง U.S.Army บอกมาหน้าตาเฉยแล้วถามระพินว่า นี่ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจที่นายต้องการแล้วสินะระพินสุภาพบุรุษไพร ย, ยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นเพ่งดูภาพของใซใหญ่ที่โค่นลงมาราบกับพื้นแล้วสกิดขอกล้องสองทางไกลที่ถืออยู่ในมือของด็อเตอร์สแตนลีไปส่องสำรวจอย่างถี่ถ้วนเขามองไม่เห็นบริเวณอันเคยเป็นแคมป์พักใต้โคลนใซจริงๆเพราะหมอกควันยังมืดมัวปกคลุมทึบไปหมด และบางส่วนก็กำลังลอยสูงขึ้นไปบนอากาศอย่างแช่มช้าลักษณะดูเหมือนดอกเห็ดแบบระเบิดประมานูยังไงก็ตามไม่มีวี่แววเขาเงื่อนว่าจะเกิดเปลวไฟลุกลามขึ้นอย่างที่คิดเกรงไว้คงมีก็แต่กลุ่มควันเท่านั้นคลุมท่วมไปหมดในบริเวณไม่ต่ำกว่า200ตารางวารอบโคนใสเศษวัดสดุอันเป็นชิ้นส่วนของต้นไม้รวมทั้งก้อนดิน ที่ลอยสูงไปบนอากาศบัดนี้กําลังโปรยหล่นร่วงลงมาอย่างน่ากลัวคิดกําหนดระยะที่ให้มาพักหลบอย่างถูกต้องที่สุดหากใกล้กว่านี้ก็ไม่แน่นักว่านอกจากแรงอัดของระเบิดซึ่งน่าจะเป็นอันตรายแล้วอันตรายจากเศษดินหินที่ลอยขึ้นไปสูงแล้วร่วงหล่นลงมาก็อาจจะถึงตัวด้วย เพราะมันกระจัดกระจายลนพรมไปทั่วอาณาบริเวณในละแวก50เมตรนายด้วยไรนะั่นนายเสียงจัน์ผู้นั่งเงียบกริบมาตลอดและหมอบอยู่ในกลุ่มชี้มือพร้อมร้องเอะอะออกมาดังๆ160ทุกคนที่กำลังมองดูอยู่ที่ซากไซลมและกลุ่มควันบริเวณโคนต้น เงยหน้ามองสูงขึ้นไปตามคำชี้บอกกระหืดกระหอบของจันทันทีรพินนั้นมองด้วยกล้องจึงกระดุกกล้องทางไกลเงยตามขึ้นแต่ภาพจากเลนกล้องเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากกลุ่มควันที่ลอยสูงเป็นทางยาวขึ้นไปเท่านั้นทว่าสไตลีคีตและเชิดบุตรที่มองด้วยตาเปล่าร้องอุทานแซดในลำคอพร้อมกันหมดพร้อมกับจ้องตะลึง ผู้หญิงควันควายลอยเป็นรูปผู้หญิงระพินลดกล้องลงทันทีมองด้วยตาเปล่าแล้วเขาก็เบิกตาจ้องไม่กระพริบสูงเหนือยอดป่าขึ้นไปสู่ห้วงนภาก า, กาศท่ามกลางแสงแดดอารามเรืองยามเช้ากลุ่มควันมีลักษณะประหลาดแปลสภาพจากรูปบานเป็นดอกเห็ดอันทำให้เหมือนการระเบิดของระเบิดปรามาณูเมื่อสักครู่นี้บัดนี้ ได้กลายเป็นเส้นทางควันที่กระทบแดดเป็นสีทองสรงรูปลักษณะเป็นสันฐานรูปทรงของสตรีงามนางหนึ่งอย่างเด่นชัดสามารถแยกออกว่าส่วนไหนเป็นเส้นผมยาวสยายส่วนไหนเป็นใบหน้าลำคอและสรีระทุกส่วนครบถ้วนยกเว้นบริเวณขาท่อนล่างซึ่งกลืนไปกับกลุ่มควันทุกคนจ้องแทบตาถลนออกมานอกบ้าวในปรากฏการณ์ประหลาด ท่ามกลางแสงตะวันหรือเวลาทิวาการแส ก, แสกนั้นนางอยู่ในลักษณะทรงกายตรงและกำลังจะทยานขึ้นสู่เบื้องสูงทีละน้อยริมฝีปากงามแย้มยืนและหันพักตรามาทางกลุ่มมนุษย์ที่จ้องตะลึงแลอยู่พร้อมทางยกหัดขึ้นโบกให้ประหนึ่งจะกล่าวคำขอบใจและอำลาภาพนั้น ทรงสภาพอยู่นานนับหลายวินาทีทีเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพียงแต่ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นทุกขณะเท่านั้นรับพิน ค, ค, คุณเห็นนั้นไหมกรุงพันรวมตัวกันเป็นผู้หญิงสตลลีร้องตะโกนออกมาโวยวายครับผมควรจะถามพวกคุณเสมากกว่าว่าเห็นในสิ่งนั้นไหม และมันชัดแล้วหรือยังครับว่าเหตุใดผมจึงได้ขอร้องให้โค่นต้นไซนลงซะเธอผู้นี้ล่ละครับที่ขอร้องกับผมไว้เมื่อคืนโดยเอาชีวิตของอิสเบลนเป็นข้อแลกเปลี่ยนเธอพ้นคำสาปแล้วครับและกําลังจะลาจากพวกเราไปด้วยสัญญาณแห่งมิตรครับรพินไพรวันกล่าวเสียงแผ่วเบาดวงตาทั้งคู่รีลงและส่งจูบให้แกกลุ่มควันที่ลอยสูงประหลาด ธาบทองฟ้านั้นแล้วนางก็แสดงอาการจุมพิษส่งตอบลงมาให้นอกจากเขาแล้วทุกคนที่แลเห็นปรากฏการณ์ประหลาดอยู่พร้อมกันณ บ, บัดนี้ยืนตัวแข็งกันไปหมดแทบไม่หายใจสวัสดีภาคขอให้เป็นของพวกท่านทั้งหลายเราขอขอบคุณอัคคิรุษและ ลาก่อนลาก่อนลาก่อ น, ก, อนกระแสเสียงวังเวงหวานแววลงมาจากฟาก ฟ, ฟ, ฟ้าสู่จิตประสาทของเขาขอให้ไปดีขอให้ไปสู่ภพภูมิของเธอเถิดบัดนี้เธอพ้นคำสาปแล้วเธอพ้นคำสาปแล้ว ขอให้ <ขอ S 1> ไ ป, ไปดีนะนะระพิ น, พนกำหนดจิตส่งคำตอบออกไปกลุ่มพันเป็นรูปสตรีงามซึ่งบัดนี้สูงทยานเยี่ยมเมฆนั้นโบกมือมาอีกครั้งอำนาจอันลึกลับบางอย่างโดยไม่ได้นัดแนะกันไว้ก่อนเลยสแตลีคิดเชิดบุตรและจันต่างก็บกมือตอบย่อยๆขึ้นไป แล้วบัดนั้นหมอกควันที่รูปของดรุณีโฉมสคราญก็เริ่มแปลเปลี่ยนสภาพประดุดก้อนเมฆที่ถูกลมพัดกลายเป็นเส้นทางยาวเหมือนกลุ่มควันจากเครื่องไอพ่นที่บินอยู่ในระยะสูงพุ่งดิ่งไปทางทิศตะวันตกในทันทีแล้วก็สูญสลายไปในชั่วไม่กี่อึดใจต่อมา ทั้งหมดสำนึกกลับคืนมาสู่ตนอีกครั้งภายหลังจากกลุ่มควันลักษณะประหลาดนั้นสลายรูปไปแล้วเริ่มเคลื่อนไหวตัวและบัดนั้นวิทยุแทบทุกเครื่องยกเว้นของระพินที่เปลี่ยนความที่รับส่งไปเป็นคลื่นพิเศษก็แววเสียงของคริสติน่าดังออกมาจากลาโพงว่าเรียกทุกคนเรียกทุกคนทางด้านเราได้ยินเสียงระเบิดแล้ว มันดังชัดเจนมากเหมือนดังอยู่ใกล้ๆนี่เองซะใหญ่ต้นนั้นล้มลงแล้วละ่ะแล้วทางด้านเรานี่ก็หมดภาร ก, กิจทางด้านนี้กำลังจะออกเดินทางไปสมทบกับฝ่ายของพวกเราทั้งหมดแล้วละ่ะหัวหน้าคณะตอบมาทราบทางนี้กำลังรออยู่คริสตินารับคำมาแล้วก็เงียบไปหัวหน้าคณะหันไปทางระพิน พินหมดธุระที่คุณจะต้องย้อนกลับมาที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอเราไปกันได้หรือยังได้ครับเดินทางเลยครับสุภาพบุรุษไพรตอบสั้นๆหันไปโบกมือกระเชิดบุตรและจันทร์แล้วออกเดินนําหน้าไปในทันทีทุกคนเดินเคียงข้างเข้ามายกเว้นจันทร์ซึ่งรังท้ายเว้นระยะห่างประมาณสามวาอย่างคุ้นเคยดีอยู่แล้วว่าตนเองจะต้องทําหน้าที่ระวังหลังอย่างไรบ้าง ระพินนาเดินแยกห่างออกมาจากบริเวณใสล้มและบริเวณที่พักเก่าโดยไม่เฉียดใกล้เข้าไปอีกเลยแล้วตัดเข้าสู่เส้นทางที่เขามุ่งหน้ามาในเที่ยวขามาซึ่งเป็นเส้นทางที่ย่นระยะมากกว่าช่วงระยะเวลานี้ยังไม่มีอะไรจะต้องกริงเกรงกังวลทั้งสิ้นเพราะเป็นเวลากลางวันมองหินทัศนวิสัยของป่ารอบด้านได้แจ่มแจ้งถนัดตาแม้ว่ามันจะเป็นป่าดงดิบ ที่ทึบทะมึนก็ตามทีคิดและเชิดบุตรเดินเคียงขนาบเข้ามาคนละด้านอ่ะเปลี่ยนความทีของวิทยุในมือนายกลับมาสู่ช่องเดิมได้แล้วละระพินคิดสกิดบอกเขาเบาๆระหว่างที่เดินมันด้วยกันเออนี่ถ้าฉันกดคีย์วิทยุเครื่องนี้ขึ้นอีกครั้งอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกมั่งวะเขาถามเรียบเรียบ ในนั่นหัวร้อหฮาๆในลําคอเออกดที่ตายมันก็ไม่มีผลอะไรขึ้นมาอีกรอกเพราะระเบิดที่ตั้งไว้ให้ตรงกับกระแสคลื่นบังคับมันระเบิดไปหมดแล้วนอกจากจะมีการวางระเบิดและตั้งสื่อรับชนวนระเบิดไว้ใหม่เท่านั้นแหละพวกนี้นี่มีของเล่นแปลกๆชนิดคาดไม่ถึงคิดไปไม่ถึงอยู่เสมอนะแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อ ง, งานและการเดินทางของเราครั้งนี้ไม่ใช่เหรอ หรือว่านายกับเจ้าวุฒิคิดอยากจะด่าอะไรไฝ่ฉันอีกขดาเองใช่จะไม่มีอะไรจะดายแล้วละ่ะเชิด ว, วุฒิบอกมาเบาๆทำไมเองไม่เอาเครื่องไอพ่นขนาดเล็กๆติดมาพร้อมด้วยละ่ะเวลาใครเมื่อยขี่ เ, เดินจะได้เอาเหาติดก้นไปแทนหรือว่ามีมาด้วยแต่ยังเสื้อซ่อนอยู่ไม่เอาออกมาโชว์ชิดคิดดา่าแล้วหันมาพูดกับพรานใหญ่นี่ นายจะไม่ถามเหรอว่าพอกดคีย์วิทยุแล้วทาไมมันถึงได้ระเบิดขึ้นได้ไม่สนหรอกมันจะระเบิดขึ้นได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การทหารของนายแต่ที่จะเตือนให้ระมัดระวังตัวไว้ก็คือไอ้ไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือนายแหละถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าขึ้นมาขอให้ยิงให้มันแม่นหน่อยแล้วกันเพราะก่อนที่จะมีเวลาพึ่งพาเครื่องมือเครื่องชายก้าวหน้าอย่างอื่นของนาย นายจะต้องพึ่งไรเฟิลไปจำตัวก่อนเป็นอันดับแรกคิดไม่ตอบว่าอะไรแต่เชิดบุตรสอดมาว่าไอเรื่องขี่ไตนแท้แค่เนี้แต่คนอย่างระพินไม่รู้ก็ก็ไม่นำทางพวกนายให้รอดตายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนายน่ะมีสื่อชนวนระเบิดขนาดเล็กๆ ล, ลักษณะคล้ายๆแก๊ปลูกปืนอันเป็นเชื้อปะทุเอาก็ไปอาจติดไว้กับ ร, ระเบิด แต่และชิ้นที่วางไว้ใช่ไหมล่ะไอตัวเชื้อปะทูพวกนั้นจะมีความสัมพันธ์อยู่กับคลื่นวิทยุในความถี่พิเศษเพอกดคีย์ส่งคลื่นออกไปกระทบสื่อรับมันก็เกิดเป็นประกายไฟขึ้นเป็นผลให้ระเบิดที่วางไว้เกิดระเบิดขึ้นพร้อมกันทันทีมันยากในการประดิษฐ์คิดค้นแต่มันง่ายต่อข้อสันนิษฐานภายหลังจากมองเห็นผลปรากฏออกมาแล้วเพราะฉะนั้น มันก็สันนิษฐานได้ต่อไปอีกว่าเครื่องมือเครื่องใช้อีกหลายๆชนิดที่นายแจกให้ระพินฉัน้นและพวกพรานของระพินไว้ประจำตัวแม้แต่วิทยุรับส่งนี่ก็เหมือนกันแต่ฝ่ายนายต้องการจะกาจัดช่นไร ม, มันก็อาจจะระเบิดตูมตามฆ่าฝ่ายเราได้ทุกขณะคิดหัวเราหือๆไม่ต่อความยาวสาวความยืดกระเชิดบุตรให้เสียเวลาอีก แตสเตลีเอื้อมมือมาตบไหลนายทหารหนุ่มบอกขรึมๆว่านิวุฒตั้งแต่ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่หนองน้ําแห้งมาแล้วไม่มีฝ่ายเขาฝ่ายเรามีแต่ฝ่ายเดียวกันทั้งหมดขอย้ําให้เข้าใจอีกครั้งเราเนะี่ยยังไม่กลัวสักนิดมเมื่อไหร่ระพินจะพาเราไปสู่ความตายซึ่งเขาจะทําเมื่อไหร่เขาก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกัน แล้วจะมามัวระแวงอะไรกันอยู่อีกนี่นายไม่นึกขอบคุณต่อสิ่งเหล่านี้มั่งเลยเหรอหากไม่มีมาด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็คงตายกันไปหมดแล้วที่คุณคิดไงระพินประโยคหลังหัวหน้าค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ถามไปทางมักคุเทศนำทางซึ่งดูเขาไม่สนใจอะไรสักอย่างนอกจากสายตาคมวัยที่กราดมองดูภูมิประเทศและนำลิ้วรุ อย่างรวดเร็วประการเดียวผมไม่มีความคิดอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากคิดในใจอยู่อย่างเดียวว่าในป่าลึกกันดารที่มีผมเป็นคนนำทางแบบนี้จะยังไม่มีใครบังอาจคิดร้ายกับผมทั้งสิ้นแล้วใครก็ตามถ้าลุงได้มาร่วมเป็นร่วมตายคลุกคลีอยู่กับผมอย่างนี้แล้วต่อให้มีสันดานหรือแผนการชั่วร้ายสักขนาดไหนมาก่อนเขาเหล่านั้นก็จะกลายมาเป็นมิตรกับผม โดยเลิกคิดร้ายกับผมหมดสิน้นเพราะผมมีความสุจริตจริงใจต่อเขาเป็นที่ตั้งผมไม่กังวลหรกอกดรแล้วฝ่ายคุณเองก็เลิกกังวลได้แล้วกล่าวจบระพินก็ยกวิทยุในมือขึ้นกรอกคำพูดลงไปกำลังบายหน้าเข้าจุดหมายจะถึงในเวลาไม่เกินสิบห้าหรือยี่สิบนาทีนี่เป็นอย่างช้าขอให้เตรียมอาหารเช้าไว้พวกเราด้วยนะ เขาเจตนาที่จะพูดไปถึงคริสติน่าซึ่งเปิดวิทยุเตรียมรับฟังอยู่ตลอดเวลาเสียงหล่อนตอบสวนในทันทีกระแสสำเนียงดีใจพระจำเสียงเขาได้ทราบแล้วจัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วขอให้ตรวจดูจำนวนคนที่คุณจะนำมาด้วยนะว่าอยู่ครบพร้อมหน้ากันหรือเปล่าประโยคหลังดูเหมือนจะเป็นอารมณ์รื่นเรองเย้าเล่นเป็นครั้งแรกของแม่ผมทอง หลังจากที่เครียดหนักมาตลอดสเตลีคิดเชิดบุดแล้วก็จันถูกต้องไหมคุณถูกต้องดีมากคุณสุภาพบุรุษไพรหลอนเน้นเสียงคำว่าสุภาพบุรุษไพรแล้วบอกต่อมาว่านี่มีข่าวดีจะให้ทราบล่วงหน้าด้วยอะไรล่ะเบเรสีเขารู้สึกตัวแล้ว สภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากด้วยแต่รู้สึกจะอิดโรอยอิดโรยเล็กน้อยวันนี้ถ้าเราจะมีปฏิบัติการอะไรคืบหน้าเบนจะร่วมได้ด้วยโดยไม่เป็นภารามากนักขอแต่เพียงอย่าให้ถึงก็ต้องใช้กำลังหักโขมมากเกินไปนักเท่านั้นแหละทุกคนที่กำลังเดินกันอยู่ในขณะ น, นี้ยกเว้นจันผู้ฟังภาษาเมกันไม่ออกพากันตื่นเต้นยินดีคิดถึงกตโกะ ล, ลอยๆขึ้นว่า บบเบาวเบาวเมื่อเชิดวุฒิหันไปบอกจันพรานมือซ้ายของรับพินก็ยิ้มแป้นออกมาได้พึมพำออกมาว่าต้องอย่างนี้สินายทหารแม่เบนกระดูเหล็กดีเหมือนกันจันนึกว่ายัางไงเช่วันนี้เราก็ต้องเสียเวลากันอีกแล้วรับพินพูดกับคริสติน่าต่อไประหว่างเดินไปพลางว่าอ่ะงั้น ก็ขอฟังเสียงเบนสักนิดเถอครับคริสไฟโนนเงียบไปอึดใจเสียงค่อนข้างจะแหบเครือแตกพร่าของเบนก็แวววออกมาว่าอารุณสวัสดิ์สำหรับทุกคนฉันได้ตายจากไปแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่งมาคืนชีพเอาเมื่อสีห้านาทีที่ผ่านมานี่เองดีใจที่รู้ว่าพวกเราทุกคนปกติเรียบร้อยดีลืมตาขึ้นมาครั้งแรก ก็พบหน้าคริสและพวกลูกหาบส่วนใหญ่ของเราแต่กระพินาหายไปคริสเล่า้ฟังหมดแล้วละ่ะว่าพวกเรามีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างในระหว่างที่ฉันสลบอยู่นี่เบรเราแน่ใจนะว่าเธอจะต้องปลอดภยัยเมื่อรู้ว่าพลัดไปกระพินเมื่อคืนนี้หัวหน้าคณะพูดแทรกมาอย่างปิติใจคิดก็สอดโรงขึ้นมาว่า ตอนนี้บาดแผลเป็นไงมากงเบร์ Bear? ก็ปวดมากละ่ะเมื่อรู้สึกตัวครั้งแรกแต่คริสเขาฉีดยาระงับให้แล้วละ่ะตอนนี้ยังมึนๆงงๆอยู่ยังลำดับภาพอะไรไม่ค่อยจะถูกละเฮ้ยที่อื่นมีอยู่ทมเถไม่ไปเกิดแผลดันไปเกิดเข้ากระจุดสำคัญซะเลยนี่หมอคริสห้ามไว้กี่วันเนี่ยที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนแต่ต้องตรงนั้น สีเชิดบุตรร้องถามไปบ้างชิงกระเซ้าเย้าแย่เล่นโอ้ oh, Stupid m a น what a damn silly question. s i q u s t i o n นายทหารหนุ่มหัวเราะก้าเข้าไปในไม้ของวิทยุระพินอดไม่ได้ที่จะต้องพลอยหัวเราะออกมาเบาๆคนชุดนี้มีลักษณะอะไรต่ออะไรหลายอย่างเหมือนกับคณะนายจ้างชุดเก่าของเขาคือพอเหตุร้ายผ่านไปหยกๆยกก็จะมีอารมณ์ขัน หยอกล้อสนุกกันได้แล้วซึ่งมันก็ดีไปอย่างเหมือนกันท่ามกลางมหันตภัยที่แวดล้อมไม่รู้ชีวิตจะแตกดับเมื่อไรทุกคนล้วนขวัญดีเสมอและใช้สติปัญญาความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีกันอยู่คนละแบบอย่างเข้าร่วมกันแก้ไขคลี่คลายสามารถประสานงานร่วมมือกันได้อย่างสอดคล้องจะต่างกันไปบ้างก็แต่เพียงว่าชุดนี้มีความทะลึ่งโลน กว่าชุดของคุณชายเชษฐาและมีเรื่องวุ่นวายในทางเพศกันกลางป่ามากกว่าเท่านั้นจนกระทั่งเขาเองก็เกิดความเคยชินไม่อยากจะถือสาซะแล้วคนพวกนี้เล่นกันได้อย่างคลุกคลีสนิทสนมและฟรีเซ็กกันกลางโดงเหลือเกินรู้สึกกระอักกระอ่วนอึดอัดใจอยู่บ้างก็ตรงที่ไม่ได้มั่วกันเองในเฉพาะกลุ่มแต่ดูเหมือนพยายามอย่างยิ่งยวด จะดึงเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยซึ่งเขาไม่พึงปรารถนาแม้ว่าธรรมชาติวิสัยจะเรียกร้องเพียงใดก็ตามอีกประการหนึ่งที่ห่วงอย่างยิ่งยวดก็คือเกรงว่าพวกลูกหาบว้ขนองและพรานพื้นเมืองของเขาเองจะสะกดกลั่นอารมณ์ไว้ไม่ได้และก่อเหตุอันไม่สมควรขึ้นยังดีแต่ว่าพวกนี้ล้วนเชื่อฟังคาสั่งเขา และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงามทุกคนเทว่าก็ยังอดหวาดกังวลไม่ได้ถ้าหากโอกาสอำนวยและคนของเขาเกิดหน้ามืดขึ้นท่ามกลางป่าเปรี่ยวกันดานเช่นนี้พวกนั้นอาจจะลืมตัวไปชั่ววูบก็ได้เพราะพฤติการมันล่อตายั่วใจเหลือประมาณขณะเดินเร่งรุดเข้าสู่จุดหมายไปพลาง การจะสนทนาโต้ตอบกันทางวิทยุที่ฟังได้ชัดเจนไปพลางก็จะช่วยไม่ให้ต้องเกิดความกระวนกระวายใจหรือมีอารมณ์เครียดเกินไปนักทั้งสองฝ่ายเท่าๆกันที่ขอสอบถามเหตุการณ์ไปด้วยโดยไม่ทิ้งเวลาให้ว่างเปล่าเนื่องจากไม่มีเหตุฉุกเฉินใดๆแล้วในขณะนี้เบร์ Bear, นี่ผมพูดนะ ระพินกล่าวผ่านคลื่นวิทยุมือถือด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนล่ะยังนอนอยู่ในคูหาเดิมหรือเปล่าเปล่ารอกระพินฉันถูกหามย้ายลงมานอนอยู่บริเวณพื้นราบหรือบันไดของทางขึ้นสิงโตหินและพวกเราทั้งหมดขณะนี้ก็มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วล่ะอ้าวทาไมล่ะกระพินถามต่อโดยเร็ว ายที่รอคอยอยู่นิ่งไปไม่ถึงอึดใจก็เป็นเสียงของคริสติน่าตอบแทนมาว่าระพินคือมันมีเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวเกิดขึ้นที่นี่นิดหน่อยจะให้เล่าตอนนี้เลยหรือว่าจะมารับฟังมาเห็นเองด้วยตาเมื่อคุณมาถึงที่นี่ล่ะเล่ามาเร็วเลยคุณจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้เราคุยกันได้แล้วและผมก็ไม่กลัวว่าฐานวิทยุของคุณจะหมดมันเกิดอะไรขึ้นอะ ตอนที่คุณผละไปทางด้านโนนแล้วก็ตอนที่พวกลูกหาบส่วนใหญ่กำลังเพิ่งจะมาถึงที่นี่คริสติน่าพูดช้าๆเสียงของหลอนชัดเจนก้องไปยังวิทยุเครื่องที่กำลังเปิดอยู่ทางด้านระพินตอนนั้นมันมีอาการผิดปกติบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตรงบริเวณที่เบลและคุณเคยนอนอยู่เศษฝุ่นเศษดินมันร่วงลงมาเป็นระยะระยะ แล้วก็มีเสียงหินเหนือศีสะของเราเนี่ยขึ้นไปมันลั่นบุญคำน่ะฉายไฟขึ้นไปดูเห็นรอยร้าวของหินที่เข้ามาชนประสานกันอยู่มันมีอาการพิกลเชียฉันดูบอกว่ามันอาจจะหักถ ล, ล่มลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ฮะแล้วยังไงจอมพรานร้องถามโดยเร็วขมวดคิว้วทุกคนที่กำลังเดินไปกับเขาพากันมีสีหน้างงเงีง่ยหูคอยฟังอยู่บุญคาก็บอกว่า เหตุการณ์มันไม่น่าจะไว้ใจนักนะ่ะกลัวว่าเพดานมันจะถล่มลงมาบนหัวเราก็พอดีกับที่พวกลูกหาบมาถึงก็เลยแนะนําให้ชั้นเอาเบลออกมาจากครูหาที่เราอยู่โดยให้พวกลูกหาบช่วยกันอุ้มเบลลงมารวมกับพวกเราที่พักอยู่ที่ฐานสิงด้านล่างย้ายสัมภาระที่เหลือทิ้งอยู่ลงมาหมดอีกสักครู่ใหญ่ทางคุณก็บอกว่าจะมีการระเบิดต้นไซนั่นเราก็ทราบแล้วก็รอฟังอยู่เพราะทางด้านโน้นระเบิดคลื่นขึ้น ดังมันเสียงฟ้าร้องคลื่นอากาศมันสั่นสะเทือนมาจนถึงที่นี่ก็ปรากฏว่าหินบนเพดานก้อนใหญ่ๆสองก้อนที่มีรอยร้าวอยู่ก่อนและธรรมการพิรุธให้เราเห็นล่วงหน้าก็ถล่มตกตุมลงมามันหล่นลงมาตรงบริเวณที่เบลชั้นและบุญคำพักอยู่พอดีเฮ้ยตายฮะกระพินหลุดปากอุทานออกมาอย่างตกใจหยุดชะงักการเดินทันที เพราะลืมตัวตกตะลึงในคำบอกเล่าทางวิทยุนั้นไม่ตายหรอกคุณเพราะเราสองคนนำเอาเบลลงมาสักก่อนแต่ถ้ายังขืนอยู่ที่นั่นต่อละป่านี้เราสามคนถูกฝังบปเรียบร้อยละเรื่องนี้ก็ขอยกให้เป็นความรอบคอบทันตะเหตุการณ์ของสมุนมือขวาของคุณคือบุญคำสมแ ล, ะละ้วล่ะที่แกเป็นผู้ที่คุณให้ความไว้วางใจที่สุด ระพินอ้าปากค้างหน้าเผือดลงนิดนึงหันมองหน้าพักพวกทุกคนที่พลอยหยุดชะ ง, งักตามเข้าไปด้วยสเตลีคิดและเชิดบุตรที่ได้ยินเรื่องราวอยู่ตลอดเป่าลมพรูออกจากปากพร้อมกันโดยไม่ได้นัดที่นี่นี่มันน่ากลัวจริงๆน่ากลัวทุกตารางนิ้วเลยอเมริกันอาวุโสครางออกมาจากลําคออันแห้งผาก อีเท่าสปรพดินของนายนี่ไว้พริปติภานเยี่ยมยอดจริงๆคิดกล่าวชมเชอยออกมาจากใจจริงส่วนเชิดพุธนาเอามือตบขมับตาเลยมันอะไรกันนี่โว้ดดูมันมีพิษมีภัยเกิดขึ้นทุกด้านทีเดียวบลอนมโมตัดสะจอมพรานสะกดอารมณ์ลงให้เป็นปกติได้ยังฉับพลันพยักหน้าให้พักพวกเดินตามเขาต่อไป มือกดคีวิทยุคิดแปลว่าเพดานหินที่เราเข้าไปอาศัยกันอยู่มันถล่มลงมาอย่างนั้นเหรอคุณใช่แต่ก็ไม่มากมายอะไรนักหรอกระพินแค่หินสองก้อนก้อนละแค่สองสำตันแค่นั้นแหละคุณเ <c oughs> สียงตอบปนหัวเราะน้อยๆของคริสติน่าแสดงว่าหล่อนไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรนัก คุณย้ายเบนลงมาก่อนที่ทางด้านนี้ก่อนจะบอกไปว่ากําลังจะระเบิดต้นไซใช่ไหมคุณใช่ย้ายลงมาก่อนนานพอควรทีเดียวแหละเพราะมันมีรางบอกเหตุก่อนจากฝุ่นละอองที่มันร่วงลงมาเป็นระยะตามที่บอกไปแล้วกลับได้ยินเสียงมันลั่นพอได้รับแรงสะเทือนจากระเบิดทางด้านคุณมันก็เลยพังคลืนลงมาเลยหินถล่มทับกรบปิดปากทางเข้าออกใต้ซ อ, อกอกของสิงโตหินหมดหรือไงคุณ ก็ไม่หมดหรอกเพียงแค่สองก้อนใหญ่ๆเท่านั้นแหละไอ้เพาดานส่วนนั้นเลยเป็นช่องโห่กว้างทําให้ภายในคูหาสว่างไปทั่วฉันกับบุญคําทดลองวิ่งขึ้นไปสํารวจแล้วละ่ะปรากฏว่าช่องโพรงด้านล่างที่เราเห็นเป็นช่องเล็กๆถูกแรงสะเทือนทําให้มันขยายกว้างออกไปอีกมองเห็นช่องบันไดหินที่ทอดลงไปลึกทีเดียวคุณมันจะนําไปยังที่ไหนมั่งนะไม่ทราบอะ่ะเพราะเรายังไม่กล้าลงไปสํารวจก็ร้อยคุณมาถึงสัก่อน ดีดีมากเลยคุณอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นนะร้อยผมไปถึงซะก่อนโชคดีจริงๆที่บุญคำฉเฉลียวคิดไวทันซะก่อนอ่ะขอผมพูดกตะตะคำหน่อยครับอึดใจเดียวเสียงบุญคำก็ดังอ่อยอ่อยมาตามคลื่นรับแต่แทนที่จะบอกเล่าอะไรกลับถามมาว่านายใส่ไอ้ต้นนั้นล้มราบกับพื้นแน่รู้เรอ เสียงมันดังมาถึงที่นี่มือนใครจุดพลุงานวัดเลยนายนี่ตาคำฉันกําลังจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงหินเหนือหัวคูหาที่เราเข้าไปพักอยู่นั่นมันถึงได้ร่วงลงมาฮะนายก็มันเก่าแก่พุพังเต็มทีแล้วอ่ะถ้ามันไม่พังลงมาวันนี้มันก็จะพังพรุ่งนี้เมื่อื่นมาเรื่องมาโรงมาเส็งนายไประเบิดที่โนนมันก็เลยพังเร็วขึ้นอีก มันก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากนี่สมุนขวาหัวโจกของเขาบอกมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยธรรมรพินเกาท้ายทอยอยู่ยิกนี่ตะคำฉันอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้บุญคำสั่งให้ขนย้ายแม่มเบลลงมาก่อนที่ทางนี้จะบอกไปว่าจะระเบิดต้นทรายหือีโโอนาย บุญคำก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันน่ะถึงครูจะไม่แรงเท่าครูของนายผีของบุญคำมันก็แรงไอ้พวกหงพรายกูมานทองที่บุญคำเลี้ยงไว้มันก็ช่วยกันมากระซิบบอกบุญคำต่างกันนายออกไว้แล้วละ่ะมันบอกให้ยายแมมเบลลงไปข้างล่างนายไว้ใจเถอะน้าอยู่กับไอ้คำน่ะปลอดภัยไร้กังวลแม่จะสวัสดรมั่งนิดนิ ด, น, ดน้อยน้อย ระพินไรวันสันหัวดิกดกิผู้กระตะคำมันก็ได้เรื่องได้ราวอยู่แค่นี้แหละแต่เขาก็พอใจแล้วที่แกสามารถจะใช้ไหวพริบปฏิพาณนนำอานายจ้างลบลีกภัยออกมาได้อย่างทันการแล้วชั่วไม่นานต่อมาจอมพรานก็นำคณะนายจ้างที่เหลือของเขาเข้ามาถึงตำแหน่งหินใหญ่อันแกะจากภูเขาทั้งลูกเป็นรูปสิงหหมอกซึ่งเป็นสถานที่สาหรับเขาและเบล ซุสมซานเข้ามาหลบภัยอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมานี้พวกนั้นรอคอยกันอยู่แล้วที่ลานโล่งใกล้ป่าเถาวันชายโยโหร้องต้อนรับและทักทายกันแซดไปหมดด้วยความปิติยินดีที่ได้กลับมารวมพวกกันพร้อมหน้าอีกครั้งกองไฟสําหรับหุงหายยังลุกโชนพร้อมอาหารตามมีตําเกิดที่เตรียมคอยรับอยู่ก่อนอื่นใดสเตลลีย์ คิดและเชิดวุตรปราดเข้าไปหาอิสเบลซึ่งขณะนี้กำลังพยุงกายขึ้นนั่งพิงเถาวันทั้งสามผลัดกันเข้าไปกอดและจูบที่แก้มแหม่มผมแดงซึ่งมีรอยยิ้มแจ่มใสอย่างคนมีชีวิตใหม่รลอนกอดและจูบตอบทุกคนพร้อมทั้งจับมือแน่นน้ำตาซึมด้วยความดีใจร้านใหญ่กว่าตาแวบเดียวไปยังคณะทั้งหมดที่มาชุมนุมกันอยู่ในลักษณะตั้งแคมป์พัก หวงหาชั่วคราวยางเชิงบันไดที่จะไต่ขึ้นไปยังคูหาหินภายในซอกพุงอกของสิงโตหินนั้นแล้วกระโจนพรวดพรวดขึ้นไปยังตำแหน่งที่เขาเคยพักทันทีอดไม่ได้ที่จะใจหายวับเมื่อแลหินหินก้อนใหญ่สองก้อนถล่มลงมาบด ท, ทับบริเวณที่เขา เ, เคยใช้เป็นที่นอนพักกระเบลเมื่อคืนที่ผ่านมากองพันเนินเต็มเนื้อที่บริเวณนั้นไปหมด ถ้าไม่มีการเคลื่อนย้ายของเบน ล, ลงมาซะก่อนก็เป็นอันแน่นอนว่ารอนและใครก็ตามที่ยังอยู่ณนะบริเวณ น, นั้นจะต้องแหลกเละอยู่ภายใต้กองหินที่หักทับบดลงมานั่นเองระพินเสยปีกหมวกขึ้นป้ายแขนเช็ดเหงื่อที่เกาะพราวอยู่บนหน้าผากแยกเขี้ยวรี่ตาดูหินทั้งสองก้อนแล้วสำรวจไปทั่วบริเวณคูหา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 คำนวณจากบริเวณที่เขายืนงินอยู่ยังชานหินณนที่นี้โดยลึกเข้าไปยังบริเวณภายในของคูหาอันอาศัยเป็นที่หลบพักเมื่อคืนมันจริงดังที่คริสตินา่าให้การรายงานมาทางวิทยุทุกอย่างก้อนหินใหญ่สองก้อนถลม่มลนลงมากองสูงอยู่กับพื้นตรงจุดที่เคยเป็นที่พักนอนของเขากระเบลอย่างพอดิบพอดีกลายเป็นกองหินสูงพเนิน เหมือนมีมือหยักมือยักผลักลงมากรบลักษณะอันเคยแลเห็นอยู่เมื่อคืนว่ามันน่าจะคล้ายแท่นบูชาพลอยถูกกลบบังไปหมดสิน้นเหลือแต่ซอกโพรงด้านซีกซ้ายและขวาซึ่งเดิมเป็นมุมผนังอันลีลับถูกแสงสว่างแห่งทีิวากาศสาดส่องเข้าไปแลห็นผนังหินทั้งสองด้านตลอดจนบริเวณที่หินถลม่มยังไม่ได้กระจายไปกรบถึงกระจ่างชัดพอสมควร ชำเลืองตรวจสอบเพียงผัดผัดอย่างเร่งด่วนในขณะนี้เห็นแต่เพียงเป็นพื้นผนังตัดเรียบเหมือนฝาผนังห้องที่เป็นฝีมืออันเจตนาของมนุษย์มาสกัดหินซึ่งเคยเป็นก้อนตันทึกและส่วนพื้นกับส่วนบนอันยังไม่ได้หักพังลงมาทั้งหมดก็มีรอยหินงอกและหินย้อยที่ปรากฏโผล่ขึ้นมาภายหลังเมื่อการเวลาได้ล่วงผ่านมานานจนไม่อาจคานวณหาอายุได้ นี่คุณกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าชั้นกระเบนควรจะแหลกเหลวถูกกลบอยู่ภายใต้เพดานหินที่หักถล่มลงมานี่มันจะได้ตัดปัญหาของคุณไปสักทีในกรณีที่มีผู้หญิงสองคนติดมากาคณะทำให้เป็นที่ลำบากยุ่งยากใจมีเสียงกระซิบต่ำๆดังอยู่ใกล้พอชํำเลืองไปทางด้านซ้ายก็เห็นคริสติน่ามายืนยืน้ออยู่เ บ, ยเบื้องหลังเขาเล็กน้อยหล่นตามเขาขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ทันรู้ตัว และอีกด้านหนึ่งก็มีบุญคำมาหยุดยืนอ้าปากหาวเอามือเกาหัวอยู่ด้วยแกรกแกรกระพินยิ้มแค่นแคน่ไม่สนใจกับประโยคนกึง่งสัพยอกกึ่งประชดน้อ ย, อยๆของแม่ผมทองจะบอกว่าฮคุณมันก็แค่เพดานด้านบนมันหักร่วงลงมาแค่นั้นทาไมคุณถึงเอาตัวรอดหลีกลบลงมาไม่ได้ก็ขนาดภูเขาถล่มทั้งลูกน้าหนักหินนับเป็นแสนแสนตันเคยพังลงมากลบ คุณก็ยังเอาตัวรอดได้เลยนี่จริงไหมสภาพของมันคงเนื่องมาจากเพดานหินด้านบนมันปริร้าวใกล้จะพังอยู่ก่อนแล้วผมไม่มีเวลาพอที่จะตรวจสอบได้ในขณะที่หิ้วเบลรสมซานหนีมาหลบภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาอสาเหตุที่มันหักลงมาก็แน่ชัดว่ามาจากความสั่นสะเทือนของแรงระเบิดเมื่อครู่นี้แหละแล้วเขาก็หันมาตบไหล่สมุนเท้ามือขวาหนักหน่วง อย่างรู้เห็นไหวฝีมือและไหวพริบปฏิพานกันดีอยู่แล้วในภาวะวิกฤตจริงๆบุญคํำไม่เคยทำให้เขาต้องผิดหวังเลยแม้ว่าในภาวะปกติแกจะมีอะไรที่แกล้งทำโงงๆเซ่อๆไปตามเรื่องตามราวตาเท่าก็ไม่พูดอะไรเช่นกันหน้าตาแกก็เป็นปกติเหมือนเหินอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดข้าที่ผ่านะจญกสารพัดเหตุร้ายมาสจนชาชินเป็นธรรมชาติวิสัยของแกไปซะแล้ว ระหว่างที่ยังยืนพิจารณากันอยู่นั้นฝ่ายนายจ้างที่มาสมทบภายหลังยกเว้นจากเบลคนเดียวที่ยังนั่งอยู่ที่เดิมตั้งไต้บันไดหินเก่าแก่ของฐานสิงด้านหน้าตรงเข้ามาสมทบและตรวจดูสถานที่อย่างแปลกใจระคนตื่นตะลึงและอุทานกันแซ่กไปหมดภาพมันฟองชัดเกินกว่าที่จะต้องอธิบายอะไรกันมากเกี่ยวกับโพรงหินใต้ซ อ, อกอกสิงโตอันแกะสลัก จากภูเขาย่อมๆทางลูกซึ่งมองเห็นชัดอยู่ว่าบัดนี้ส่วนอันเป็นด้านบนของมันได้หักถล่มลงมากลบพื้นที่บางส่วนภายในคูหาสเต ล, ลีคิดและเชิดบุตรรู้ดีอยู่ก่อนแล้วมันเคยเป็นที่พักของระพินกะเบลเมื่อคืนที่ผ่านมารวมทั้งเมื่อบุญคำกับคริสติน่าได้มาถึงทีหลังเมื่อใกล้รุง่งก็เข้ามาชุมนุมรวมกันอยู่ในนี้ด้วย โฮโหเสียงสแตนลีย oh. ์อุทานออกมาขณะที่มองเห็นบริเวณได้ถนัดตาและนึกวาดภาพออกส่วนคิดส่งมือไปให้บุญคำอดีตคู่อริเกา่าจับเขย่าแรงๆมันต้องได้อย่างยี่สี่บุญคำถึงจะเรียกว่าเป็นพรานคู่ใจของรพินไพรวันอย่างแท้จริงฉลาดมากเย็บๆเย่ทันการทุกอย่างโดยเจ้านายไม่ต้องสั่งแบบนี้นะี่เยี่ยมจริงๆ พันเอกแห่ง US a อ m y ามีพยายามพูดไทยอย่างกระท่อนกระแทน่นได้ความออกมาในความหมายเช่นนั้นพรานเท่ายิงฟันยิ้มให้โอเคสิการ์เร็ตสบายมากจอหหอในห้างคิดเยเซอร์อลไลบันไซอาริกาโตโอไฮโอก็ไซมัสนายคิดหัวรอกกักรู้เส้นกันดีแล้วว่าแกพูดอะไรของแกไปตามเรื่องไม่มีความหมายอะไร นอกจากความคะนองทอลึง่งและแกล้งยาวเล่นโดยตบไปที่ก้านคอของแกโดยแรงบุญใครก็บุญคาก็ไวปานลิงหดคอหลบต่ำลงฝ่ามือโตๆของคิดแทนที่จะถูกแกก็เลยไปถูกเอาไหลของเชิดบุตรซึ่งยืนกะพริบตาไปไปอยู่ข้างๆพันตรีหนุ่มแหง่งทาหารโบกไทยแทบเซทหลาไปเบื้องหน้าร้องวากออกมาหันวับจะยกเท้าถีบ แต่คิดรีบขอโทษละล่ำละลักไม่มีใครสนใจกับภาวะการล้อเล่นยาวแยก่กันเล็กๆน้อยๆนั้นนี่ระพินมองเห็นกันชัดๆกลางแสงตะวันแบบนี้แล้วคุณว่ามันเป็นอะไรหัวหน้าคณะเอ่ยถามขึ้นพรานใหญ่กวาดสายตาห่างไกลออกไปรอบๆอยังบริเวณป่าที่ปกคลุมอยู่รอบด้าน ผมก็เดาไม่ถูกนะด็อกเตอร์คนที่จะบอกเราได้ดีที่สุดควรจะเป็นนักธรณีวิทยาและนักโบราณศาสตร์มีอะไรที่เราจะต้องพิจารณาใคร่ครวนอีกมากทีเดียวสําหรับก้อนหินมะคมาที่ถูกแกะสลักเป็นภาพสิงหมอบนี่ผมไม่คิดว่าที่เราพบอยู่นี่จะเป็นสภาพเดิมแต่ก่อนเก่าของมันแต่ส่วนใหญ่มันอาจจะจมดินอยู่อันเกิดจากภูเขาไฟระเบิดแล้วก็แผ่นดินไหว บันไดหินที่ทอดขึ้นมายัางใต้อกสิงห์หมอบนี่ก็เช่นกันมันคงไม่เพียงแค่สิบกว่าขั้นเนอกแต่อาจจะไต่สูงจากระดับพื้นราบเดิมมันนับร้อยขั้นเพียงแต่ว่ามันถูกฝังจมอยู่ใต้ดินและอาจมีชั้นของลาวากั้นไว้อีกทีหนึ่งก็ได้พื้นดินป่ารอบด้านและส่วนประกอบอื่นๆที่เราเห็นอยู่ขณะ น, นี้มันเกิดขึ้นภายหลังจากวันเวลาที่มันได้พิ น, นาศลงนับเป็นหมื่นๆ ห, หรือแสนๆปีขึ้นไป หรือมันอาจจะนานกว่านั้นซึ่งเกินกว่าที่สติปัญญาของผมจะรู้ได้ร้อยเบนเธอแข็งแรงกว่านี้อีกนิดบางทีเธออาจจะให้ข้อสันนิษฐานที่ใกล้เคียงความจริงได้มากกว่าครับระพินบอกมาขึ้ขึมซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ในดวงตารีซึมทั้งคู่ขณะที่เพ่งไปยังหินใหญ่รูปสิงหหมอกลักษณะของสิงโตมีปีกอันจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อมองไปยังอีกตัวหนึ่ง ห่างประมาณสามสิบเมตรสภาพของมันเอียงตะแคงคู่กันอยู่กับตัวที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่นี้และจิตประสาทส่วนลึกดูเหมือนจะแวววเสียงโห่ร้องเสียงอาวุธกระทบบางทีก็เป็นเสียงสวดบวงสวงครางกระหึมในพิธีกรรมบางอย่างของความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ไพศาลของอาณาจักรโบราณการยุคที่ประวัติศาสตร์จะสามารถจารึกเอาไว้ได้ ดรครับผมมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าขณะนี้เราได้มายืนอยู่บนส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่กว่าความเคยรุ่งเรืองมาแล้วของจีนอินเดียอียิปต์หรือยูเดียดรสแตนลีย์พึมพำออกมาอย่างตื่นใจระคนสยองในส่วนลึกอย่างใบบอกไม่ถูกใช่ระพิน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 กระพินยิ้มออกมานิดนึงจากสีหน้าอันเย็นกระด้างของเขาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือครับดรความเจริญขีดสุดในทุกๆด้านแม้กระทั่งทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเข้าใจว่าในยุคของเราได้ก้าวเข้ามาสู่ขีดสุดแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าในอดีตการย้อนหลังลึกลงไปมนุษยชาติจะไม่เคยมีความเจริญมาก่อนแล้วซึ่งต่อมาก็เสื่อมโทรมลง แล้วก็เริ่มต้นขึ้นมาใหม่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เช่นนั้นไม่รู้จบสิน้นรสมมุิกันง่ายง่ายหากระเบิดสิบเมกะตันของคุณที่เรากำลังค้นหาอยู่ในขณะ น, นี้ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายโซเวียตมันเกิดระเบิดขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งหมดที่ต่างฝ่ายสะสมไว้จะโดยสงครามจากเจตนาหรือจากกุปตทวเหตุใดๆก็ตาม คุณคิดว่าโลกเราจะมีสภาพเป็นยังไงเอาละผมขอถามคุณบ้างครับด็อเตอร์อเมริกันอาวุโสยักษ์หล่ยิ้มเลี่ยนๆตอบไม่เต็มปากนักก็ทุกชีวิตและทุกพืชพันธุ์ที่เราเห็นอยู่จะสูญพันธุ์ไปชั่วระยะเวลาหนึง่งดินส่วนหนึ่งจะลอยขึ้นไปปกคลุมอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของดาวพระเคราะห์ดวงนี้ อาจจะใช้เวลาอีกนับหมื่นหรือแสนปีกว่าผิวโลกที่ลอยขึ้นไปปกคลุมอยู่เหนือชั้นบรรยากาศจะค่อยๆกลับคืนลงมาสู่โลกอีกครั้งเกิดภูเขามหาสมุทรทวีขึ้นมาใหม่ชีวิตจะเริ่มต้นจากสัตว์เซลล์เดียวอีกวาระหนึ่งไม่ว่าพืชหรือสัตว์แล้วก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาโอ้อยุพูดถึงสิ่งที่น่าวาเสียอย่างนั้นเลยระพิน ผมเองก็ไม่ได้มีความคิดค้านต่อต้านในเรื่องสงครามล้างโลกที่คุณหมายถึงอยู่เหมือนกันแต่เท่าแล้วเท่ารอดการเจราจาในด้านลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่เป็นผลสักทีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์การของพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงกําหนดไม่มีใครไปขัดขวางได้หรอกคุณมันไม่ใช่ความผิดของประเทศผมหรือว่าประเทศฝ่ายตรงข้ามใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นกฎของการแตกดับเพื่อเกิดใหม่ของพิภพโลกตามรอบวาระของมัน หากพวกคุณได้เข้าใจในสัจธรรมหรือความจริงในข้อนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับจะช่วยให้เราทั้งสองฝ่ายหมายถึงผมกับพวกคุณที่เดินทางมาในครั้งนี้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันลึกซึ้งกว่าเดิมอันจะช่วยเราสามารถร่วมมือกันแก้ไขต่อสรรพ ป, ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องสอดคล้องโดยไม่มีความคิดที่ขัดแยง้งแตกแยกอันจะเป็นภัยมาสู่หมู่คณะของเราเอง ซึ่งบัตรนี้ก็ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกแล้วขอให้ทราบกันไว้อีกครั้งนะครับว่าในฐานะมัคุเทสนำทางหน้าที่ของผมไม่เพียงแต่จะนําพวกคุณไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พวกคุณประสงค์เท่านั้นแต่จะต้องนําพวกคุณกลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกได้โดยปลอดภัยด้วยครับเราเข้าใจกันได้แน่นอนระพินและนับวันนานไปที่จะที่เราร่วมชีวิตด้วยกันนะโลกตกสํารวจนี่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 มันดูเหมือนจะเป็นการจับมือกันอย่างจริงใจครั้งแรกนับตั้งแต่ออกร่วมเดินทางกันมาแลไปทางคริสติน่าและคีตก็เห็นทั้งสองจ้องนิ่งมาที่เขาก่อนแล้วดะพินมองลึกลงไปในแววตาของคนทั้งคู่แล้วก็บอกได้นะบัตรนั้นว่าปราศจากเลสไนแอแฝงใดๆอย่างที่เคยเหินหลงเหลืออยู่เลยทั้งสองมีสีหน้าที่สงบเหมือนคนโปร่งตก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 กลางความเงียบงันกันไปชั่วขณะจิตนั้นเสียงเบาๆจากลําโพงของวิทยุติดตัวของแต่ละคนที่เปิดไว้ก็ดังแแววออกมาว่าทําไมทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวทําไมทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวล่ะทั้งหมดตื่นจากผวังนึกขึ้นมาได้ว่าในกลุ่มของบุคคลชั้นหัวหน้าแล้วเบลยังนั่งอยู่ด้านล่างท่ามกลางกลุ่มลูกหาบและพรานพื้นเมือง และขณะนี้หล่อนกำลังมองขึ้นมาและโบกมือเรียกเราลงไปก่อนข้างล่างก่อนเะครับเวลายังมีเหลือเฟือสำหรับวันนี้เดี๋ยวทานอาหารเช้าให้เสร็จพักตั้งสติกันอีกสักหน่อยแล้วเราจะเริ่มงานสำรวจกันละระพินกล่าวกับทุกคนในกลุ่มที่ขึ้นมาชุมนุมกันอยู่ด้านหน้าของโพรงซ อ, อกอกสิงหินและเดินนํากลับลงมายัางที่พักชั่วคราวอันเป็นสถานีหุงหาอาหารทันที เมื่อก้าวเข้ามาถึงก็ตรงเข้าไปที่อิสเบนซึ่งยังไม่ได้ทักทายอะไรกัะหล่อนเลยในขณะที่ย้อนกลับมาถึงพระมวัวแต่เพนขึ้นไปดูก้อนหินหล่นซะก่อนสุดตัวลงตรงหน้ารวบต้นแขนของหล่อนทั้งสองข้างบีบแน่นพร้อมกับยิ้มอย่างให้กำลังใจเบรรู้สึกว่าคุณจะมีอาการดีขึ้นมากทีเดียวนะตอนนี้เป็นไงมั่งล่ะเบรหัวเราะตอบคํา แววตาและอาการเต็มไปด้วยชีวิตและความแจ่มใสทุกคนจูบฉันเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ของฉันกันหมดแล้วละ่ะระพินก็เหลือแต่คุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่พอมาถึงก็เพนขึ้นมาบนนั้นเลยเบลบอกเสียงใสเป็นเสียงเรียกร้องอย่างเด็กๆมากกว่าที่จะประสมอื่นใดสุภาพบุรุษไพรยพยักหน้าลงนิดนึงอืมริงสินะ ขอให้พระเจ้าและสวรรค์จงประทานชีวิตใหม่ที่ดีงามแก่คุณนะเบร์ <Bear. S 1> กล่าวจบระพินก็ชะโงกหน้าเข้าไปจุบเบาๆที่หน้าผากของหลอนอย่างปราณีพลังนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าสำรวจดูไปตลอดทั้งกายของหลอนซึ่งยังอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ขาดวิ้นกระรุ่งกระริ่งมีจุดด่างดวงของรอยเลือดเต็มไปหมดแต่บัดนี้แห้งกรังละและพักพวกทุกคนก็เข้ามานั่งรวมกลุ่มแวดล้อม อาการของเบลยามนี้กะปรี่กระเป๋าเป็นสุขและดีใจที่เห็นทุกคนพร้อมหน้านี่เบร์ดูเธอกระรุ่งกระริ่งทุเรศในตาเหลือเกินไปไปจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าสม่ไหมไปหัวหน้าคณะออกคำสั่งยิ้มยิ้มแม่ผมแดงหัวเราะระรื่นอยู่เช่นนั้นเอามือทั้งสองเท้าไหลคีดและเชิดบุตรคนละข้างยันกายลุกขึ้นยืนพอก้าวเดินก็ส่วนเซเล็กน้อย คริสติน่าปาดเข้ามาหิ้วปีกไว้แล้วประคองพาเพื่อนสาวเดินไปหลบอยู่หลังกอเถาวันใหญ่เพื่อผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่ผมแดงมีอาการเดินกระผล ก, กระเพลกเล็กน้อยหน้านิวสูดปากเพราะบาดแผลจากโคนขาที่ถูกไม้ตำํำแต่ก็ยังหัวเราะอึดใจใหญ่ต่อมาก็กลับเข้ามาร่วมกลุ่มกระพักพวกที่นั่งรออยู่อาการเดินคล่องแคล่วขึ้นจากสภาพที่เคยกระเพลกเล็กน้อย บัตรนี้หล่อนอยู่ในชุดใหม่ที่ผลัดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วทั้งหมดก็ร่วมรับประทานอาหารมื้อแรกแห่งวันพร้อมกันจากเครื่องกระป๋องเรั่นและเนื้อย่างที่เหลือค้างมาจากเมื่อวานนี้พร้อมทั้งสนทนาไตา่ถามกันไปพลางในเหตุการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างผ่านะจนกันมาในคืนฉุกลระหุกขีดสุดอีกคืนหนึ่งความเคยชินทาให้ไม่เกิดความอาทรหวั่นไหวอะไรทั้งสิน้น เมื่อทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์มาได้แค่รอดตายปลอดภัยกันพอสมควรก็เป็นที่พอใจแล้วทุกคนของฝ่ายนายจ้างของเขามีหัวใจอันเป็นเหล็กเพชรไปโดยปริยายจากประสบการณ์ความเคยชินซะจนไร้ความสะดุ้งสะเทือนใดๆเลยข้อสนทนากลายเป็นเรื่องของการขบขันสนุกสนานสะมากกว่าความวิตกกังวลเป็นทุกแล้วอันว่าคนเรานั้นลงได้ปรับกิตใจพร้อม รับรู้ล่วงหน้าว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเช่นนี้ความหวันไวใดๆมันก็หมดสิ้นไปเองโดยปริยายนี่เบวันนี้พอไหวไหมเนี่ยเชดิดบุตรเอื้อมมือมาจับข่าเบลผูกกำลังซดซุปกระป๋องอยู่ถามขึ้นอย่างสับพยอกหลอดยิ้มร่าเริงเหมือนเดิมไหวสิแต่อย่าเดินเร็วนักก็แล้วกันแล้วก็อย่าให้มันมีเหตุการณ์อะไรมาถึงก็ต้องวิ่ง ฉันเชื่อว่าพอจะพยุงสังขารตามไปด้วยได้แล้วเราคงไม่ทำอะไรกันมากนักไม่ใช่เหรอระพินสำหรับวันนี้คิดถามเ บ, บาๆอืมก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าจะสำรวจที่ภูเขาหินเป็นรูปสิงห์หมอบคู่นี้แล้วกับพื้นที่บริเวณข้างเคียงทัหาหักพอจะมีเวลาระพินบอกพลางเหง่หน้ามองดูแสงตะวันอันเริ่มแรงกล้า สองลอดชุ้มเถาวันปราศจากใบเกาะเกี่ยวประสานกันเป็นเพดานอยู่เหนือหัวขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสิบโมงเช้าหรืออาจจะกว่าเล็กน้อยอากาศเริ่มจะอบอุ่นแล้วก็กล่าวต่อไปว่าบางทีเราอาจจะต้องพักที่นี่กันอีกสักคืนนึงก็ในบริเวณนี้แหละเพราะเป็นชยภูมิที่เหมาะที่สุดละและในการสำรวจถ้ำใต้เขาซึ่งสลักเป็นรูปสิงโตหมอบนี่ ก็จะต้องอาศัยความรู้ทางธรณีวิทยาจาักเบนมากทีเดียวแหละประเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันอีกครั้งและถ้ามีช่องทางที่จะเดินลงสำรวจได้ก็จะลงไปตามช่องทางนั้นเชื่อว่าคงจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากทีเดียวอิสเบนกล่าวด้วยน้ำเสียงแจ่มใสปกติของหล่อนเหมือนกับว่าเหตุร้ายที่ผ่านสำหรับตัวหล่อนเองอันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น แม้มันจะเหลือร่องรอยแห่งความบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ก็ตามยาที่มีคุณภาพสูงการพยาบาลรักษาที่มีสมรรถภาพช่วยหล่อนฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วประกอบ ก, บกับกำลังใจและขวัญที่ดีเยี่ยมหลอนบุยปากขึ้นไปบนเนินหินรูปสิงโตมีปีกลักษณะของมันเป็นเทวรูปมหึมมาที่เคยตั้งอยู่ในที่สูงมากทีเดียวแต่สุดลงมาแทบจะราบกับพื้นดิน เพราะแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดข้างใต้เชื่อว่าจะต้องมีเส้นทางเดินนําไปสู่ห้องอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายหากไม่ถูกปิดตันแนวลำห้วยที่ฉันกระพินหนีพวกหมานรกมาเมื่อคืนนี่มันไม่ใช่คูเมืองอย่างที่เราพบกันมาแล้วแต่มันเป็นรอยแยกของแผ่นดินตัวเทวรูปสิงมีปีกที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ได้ก่อสร้างขึ้นมาแต่เดิมทีมันจะต้องเป็นภูเขาหินทั้งลูก ที่มนุษย์ได้ขุดแกะสลักและเจาะเข้าไปเป็นฝีมือสถาปัตยกรรมชั้นสูงเกินกว่าที่มนุษย์สมัยนี้จะทำได้และจะต้องใช้เวลาพร้อมทั้งกำลังคนมหาศาลแบบเดียวกับการสร้างสรรค์ของออยคุปที่เคยเจริญรุ่งเรืองขีดสุดมาแล้วนี่เบรพอจะคำนวณถูกไหมว่าอายุมันเก่าแก่มาสักเท่าไหร่แล้วสตลีถามอย่างไม่มั่นใจนกะ เบลมือจับปลายคางมองดูสิงหินมะึือมาและขั้นบันไดอันไต่ขึ้นไปของมันตลอดจนพื้นภูมิประเทศกระดินแวดล้อมพื้พ ăm ไม่เคยมีใครคำนวณอายุของมหาปิรามิดได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อไรยุคสมัยใดแต่ปิรามิดก็ยังดีที่ไม่เคยมีร่องรอยของแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดเข้ามาเป็นฉากกัน ส่วนอาณาจักรแห่งนี้เคยมีการระเบิดของภูเขาไฟแผ่นดินบางส่วนยุบลงมงับางส่วนสูงขึ้นมีชั้นของลาวากั้นไว้อีกถ้าหากว่าเรามีเวลาพอที่จะขุดลงไปแล้วการระเบิดของภูเขาไฟก็ยังแบ่งไม่ถูกว่าได้เคยมีขึ้นกี่ครั้งมาแล้วมันอาจเกิดซ้ำขึ้นอีกภายหลังจากอาณาจักรนี้ล่มไปนานแล้วก็ได้เป็นต้นว่า เป็นเมืองร้างไปก่อนแล้วพันพันปีภัยจากธรรมชาติก็มาซ้ำเติมอีกฉันกล่ไม่ถูกจริงๆนะแต่ดูจากลักษณะของซากฟอสซิลเชื่อแน่ว่ามันเก่าแก่กว่าแผ่นดินออยาคุปหรือบาบิโลนตลอดจนทุกอาณาจักรโบราณที่เคยค้นพบกันมาแล้วมันน่าศึกษามากทีเดียวถ้าหากเรามุ่งมาในเรื่องนี้โดยตรงและมีเครื่องไม้เครื่องมือมาพร้อม แต่นี่เรามาในวัตถุประสงค์อื่นจึงได้แต่เดาหรือคาดคะเนเอาเท่านั้นฉันนึกไม่ถึงนะว่าจะมาพบเอาอาณาจักรลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์นในเอเชียส่วนนี้นี่เบร์คุณไม่ต้องกังวลในการที่จะต้องให้รายรายงานละเอียดอะไรนักหรอกระพินบอกเรียบเรียกเราเพียงแต่สำรวจดูเท่านั้นว่ามันมีอะไรอยู่บ้างที่สำคัญที่สุดก็คือ ถ้ามันเป็นแหล่งเก็บซากศพโบราณที่มันเคยยกขโ ย, ยงกันมาทำร้ายเราเราก็จะหาทางปิดกั้นไม่ให้มันออกมาได้ก็แค่นั้นแหละที่ผมต้องการน่ะอ่ะถ้าแค่นั้นมันก็ไม่ยากเย็นอะไรนะักหรอกกระพินนี่ได้ข่าวจากคริสว่าเมื่อก่อนหินบนเพดานมันหล่นลงมาตรงที่เรานอนพักกันอยู่เมื่อคืนพบว่ามีช่องโพรงทอดลงไปสู่พื้นดินด้านล่างด้วยอย่างงั้นเหรออืม เป็นบันไดหินทอดลงไปเลยแต่จะลึกสักเท่าไรนำไปถึงไหนหรือไปตันอยู่แค่ไหนก็ยังไม่ได้รับคาสั่งให้ลงไปตรวจดูคริสติน่าบอกมาใช่ครับเบลผมสั่งกำชับไว้ยางนั้นแหละแต่เดี๋ยวเราจะลงไปตรวจดูการตกลงมากระแทกพื้นโดยแรงของเพดานมันก็ดีไปอย่างเหมือนกันเพราะมันก็เปิดปากทางที่เล็กแคบตีตันให้มันกว้างออกไปอีกมากผมจะง้อเข้าไปดูมาตา ก, กี่นี่แหละ รพินกล่าวกับทุกคนที่อยู่ในลักษณะประชุมหารือส่วนพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองขณะ น, นี้ก็พอจะทราบสถานการณ์ละเอียดแล้วโดยการบอกเล่าของบุญคำซึ่งจับกลุ่มประชุมกันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใกล้ๆเออแล้วสิงคู่อีกตัวที่เห็นตะแคงอยู่นั่นล่ะมีใครทดลองไต่ขึ้นไปดูหรือยังว่าสภาพมันเป็นไงมัง่งเบนชี้มือถามยัง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 สำหรับเบนในวันนี้นะหากมีการเดินทางเคลื่อนไหวเธอยังไม่พร้อมที่จะมีภาระออกแรงแบกของหนักใดๆทั้งสิน้นเอาวันว่าเปหลังก็ถอดออกให้พรานคนใดคนหนึ่งที่จะเดินประกบคู่ใกล้ชิดเธอไปด้วยและไม่ว่าจะเกิดความจำเป็นยังไงเธอ ย, ยังยิงปืนทุกชนิดไม่ได้เพราะมันสะเทือนต่อบาดแผลระพินคุณต้องกาหนดตัวพรานลูกน้องของคุณสักคนหนึ่งคอยเป็นพี่เลี้ยงเบนด้วยนะ ระพินก้มหัวลงนิดหนึ่งครับข้อนั้นไม่ต้องห่วงครับและก็ดีมากที่เตือนให้รู้ซะ ก, ก่อนผมจะให้บุญคําเป็นพี่เลี้ยงคอยประกบชิดตัวไว้เสมอแล้วก็จะมีเกิดอีกคนหนึ่งที่จะทําหน้าที่แบกหามหรืออุ้มถ้าจําเป็นเพราะมันแข็งแรงหน่อยนอกจากนั้นก็ต้องขอแรงไปทางเชิดบุตรแล้วก็คิดด้วยที่จะต้องคอยจับตาดูไว้ด้วยหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วตัวคุณเองล่ะระพิน คริสติน่าถามมานาตาเฉยอย่างชนิดไม่น่าจะถามพรานใหญ่ ย, ยิ้มกล้งนกล้นผมก็ควรมีหน้าที่นำทางสำรวจไม่ใช่หระอคุณและคงจะไม่มีสายตาเฉียบไวพอที่จะมาคอยสังเกตดูเบลนักรในงานที่จำเป็นมากกว่าแต่คุณยังไม่ได้บอกให้ฉันเข้าใจเลยนะว่าทาไมคุณถึงต้องย้อนกลับไประเบิดโคนต้นสายต้นนั้น คริสติน่าถามในสิ่งที่ดูเหมือนหล่อนจะรอคอยจังหวะมานานแล้วกระพินมองไปทางหัวห น, านา้าคณะเหมือนจะเป็นการขอร้องให้ช่วยอธิบายแทนเขาสแตนลีย์รู้ความหมายจึงขยับเข้าไปใกล้ชิดเบลใกล้ชิดคริสติน่าและอธิบายให้ทราบในสิ่งที่ตนทราบมาแล้วเห็นสิ่งประหลาดมากตาโดยมีทั้งคิดและเชิดบุตรช่วยอธิบายอีกคนระยะเวลาระหว่างนี้ ระพินถือโอกาสเดินพระจากกลุ่มนายจ้างไปสอบซักถามอะไรอยู่กับพวกพลานพื้นเมืองและกลุ่มลูกหาบซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสจะได้พูดคุยกับพวกนั้นนับตั้งแต่ฝูงหมานรกเข้าโจมตีเมื่อคืนปรากฏว่าสองสามคนถูกมันงับเอาแล้วบ้างก็ถูกน้ำลายจันเกิดและเซยเป็นผู้บอกให้เขาทราบว่าคริสติน่าได้จัดการฉีดยาให้ทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว คุณละเข็มไม่จำเป็นจะต้องฉีดซ้ำอีกมันต่างกับวัคซีนธรรมดาที่เคยรู้จักกันในวงการแพทย์ที่จะใช้ฉีดเยียวยาคนที่ถูกพิษสุนัขบ้าการประจันบานเมื่อคืนพวกพลานพื้นเมืองของเขาได้รายงานว่ากระสุนปืนหมดไปกว่าครึ่งค่อนของจำนวนที่แบกขนกันมาพวกลูกหาบดีใจที่ไม่ต้องแบกหนักอีกกระสุนที่สิ้นเปลืองมากที่สุดก็คือลูก 5.56 ม mm, เมหรือกระสุน M16 กับพวกลูกซองซึ่งเรื่องนี้ระผิดระหนักดีเพราะเขาได้ยินมันรัวหูดับตับไม้ติดต่อกันราวกระสงครามเท่าเๆกับ ท, ท, ที่เมื่อย้อนกลับไปยังแคมก่อนระเบิดต้นไทรก็เห็นปลอกทิ้งกาดเกลื่อนอยู่นับไม่ถ้วนมันเป็นการระดมยิงหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วถ้าเจอไอหมาป่าพวกนั้นอีกก็เห็นจะไม่ต้องยิงนั่นอีกและ้วละนายกระสุนหมดจันรบอกมาเสียงอ่อยๆ เราก็หวังว่าคงไม่ต้องยิงอะไรมากเหมือนอย่างเมื่อคืนอีกแล้วละ่ะนอกจากยิงหาอาหารหรือป้องกันตัวเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นระพินบอกพวกนั้นอย่างปลอบใจแล้วสั่งความกบุญคำและเกิดให้มีหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงเบลตามที่ตนได้บอกไว้กับฝ่ายนายจ้างแล้วแมมเบลจะเดินไหวหรือนายวันนี้อ่ะเสยถามมาอย่างเป็นห่วง ไอเดินนะคงไหวหรอกแต่ถ้าวิ่งคงลำบากแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่จะยิงปืนเพราะมันจะสะเทือนแผลเพราะฉะนั้นบุญคำกระเกิดก็ต้องคอยดูแลให้ดีเรื่องนี้พรานใหญ่กำชับมาครูใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงดีดนิ้วแรงๆเหมือนจะเรียกมาพอหันควับก็เห็นสแตนลีกวักมือจึงเดินย้อนกลับเข้าไปหาอีกครั้งทางเราพร้อมยนะระบิน จะเริ่มลงมือกันเมื่อไหร่ล่ะอเมริกันเอาโสถามขึ้นด้วยอาการจริงจังเอางานเอาการระพินกว่าตาอย่างรวดเร็วไปยังคณะนายจ้างของเขาทุกคนและมาจับนิ่งอยู่ที่เบรเบขอความมั่นใจอีกครั้งได้ไหมคุณพอจะเดินไหวไหมเขาสอบความรู้สึกและอาการของหล่อนอย่างเป็นห่วงถ้ายังไงแล้ว ผมยังอยากจะให้คุณได้พักผ่อนต่อไปอีกสักระยะนะเพราะถึงยังไงเราก็ยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไกลกองสัมภาระและพวกลูกหาบส่วนใหญ่ก็จะหยุดรออยู่บริเวณนี้ก่อนคุณจะพักอยู่กับพวกที่ให้รอคอยอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเราจะต้องแบ่งกําลังออกเป็นสองฝ่ายอยู่แล้วฝ่ายนึงเข้าไปสํารวจในซอกถ้าใต้สิงโตหินนั่นอีกฝ่ายก็จะรออยู่ข้างนอกเพื่อเฝ้าของและคอยสกัดดูต้นทางไว้ ระหว่างที่อีกฝ่ายหนึง่งลงไปสำรวจอิซาเบลลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์ของหล่อนแระพินฉันแน่ใจนะว่าฉันไปกับพวกคุณไหวกัอย่างที่บอกไว้แล้วอ่ะมันสำคัญอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นฉันล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของคุณหรือไม่ประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งฉันจะเป็นประโยชน์ในด้านงานสารวจของคุณได้ไหมซึ่งมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณเอง แต่ถ้าคุณเห็นว่าไม่จําเป็นจะสั่งให้ฉันอยู่กับฝ่ายที่รออยู่ข้างนอกนี่ฉันก็ไม่ขัดคําสั่งหรอกขณะนั้นคริสติน่าก็แทรกมาทันทีว่าแต่ฉันมีความเห็นนะว่าเบนควรจะมีส่วนร่วมในการสำรวจของเราด้วยระพิะถ้าอย่างนั้นทุกคนก็เตรียมตัวได้เดี๋ยวนี้ครับจอมกุเทศสั่งเรียบเรีย ยกเว้นเบรแล้วขอให้ทุกคนอาวุธพร้อมเครื่องหลังพร้อมไฟฉายตะเกียงแบตเตอรี่และอุปกรณ์จำเป็นเฉพาะในการสำรวจถ้ำนอกนั้นแล้วทิ้งไว้ ก, กระกองสัมภาระข้างนอกนี่แหละเบรคุณมีปืนติดเอวไปกระบอกเดียวพอนะพร้อมกล่าวระพินก้มลงหยิบเข็มขัดปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ดของอิสเบลที่ถอดวางอยู่ ก, กรกองสัมภาระ โยนส่งไปให้แม่ผมแดงรับไว้ได้อย่างฉับไวอาการของหลอนเริ่มประชับกระเฉงปาดเปรี้ยวขึ้นกว่าตอนที่เพิ่งจะรู้สึกตัวครั้งแรกระหว่างที่หลอนคาดเข็มขัดปืนติดเอวและดึงปืนออกมาเปิดโมด่ตรวจดูความเรียบร้อยของกระสุนคีก็ถามขึ้นมาว่านี่จุดหมายแรกของเราเพียงแค่ข้าไปสำรวจที่สิงโตหินนะ่ไม่ใช่เหรอพักพวก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 สถานีพักเราก็อยู่ตรงนี้เองนี่คุณเราต้องกลับขึ้นมาอยู่แล้วไม่ใช่เลยระพินขยิปลายจมูกอย่างเริ่มจะงดหนิดแต่แล้วก็พยายามระ ง, งับซะเขาไม่อยากจะถือสาในความไม่ประษาอะไรของเจ้าคิดซะและ้วนอกจากเวทนาแทนที่จะด่า ว, ว่าอะไรเจ็บเจ็บจึงเพียงแค่บอกด้วยน้ำเสียงปกติว่า <c oughs> นี่คิดนาเห็นอยู่แล้วนะ ไอ้แค่คืบหรือแค่ซอกเดียวภายในป่าอาถรรพ์ที่แวดล้อมเราอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันล้วนแต่อันตรายทั้งสิน้นเรามองเห็นกันอยู่ชัดๆว่าจุดแรกจะเข้าไปสำรวจถ้ำใต้ซ อ, อกอกสิงโตหินนั่นมันใกล้แค่นี้เองแต่ในการเดินลึกลงไปตามทางสุดแต่เราจะค้นพบเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้และจะเดินลึกข้าไปถึงไหนต่อให้เดินกันไปเป็นหมู่อย่างนี้แหละ มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องแตกกระจายพรัดพรากกันเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งในภาวะเช่นนั้นสภาพมันจะเป็นลักษณะตัวใครตัวมันก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือกันได้ทันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ยางชี่ประจําตัวจะต้องพร้อมไว้เสมอในแต่ละบุคคลเราหวังที่จะได้กลับขึ้นมานะ่ยมันถูกต้องแต่อะไรจะเป็นหลักประกันให้เชื่อเช่นนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่มีใครมีโอกาสได้กลับขึ้นมาได้อีกเลยสักคนหรื อ, ออาจกลับขึ้นมาได้ แต่ไม่ครบตามจํานวนที่ลงไปนรกเท่านั้นแหละที่มันจะรู้แต่นรกก็ไม่เคยบอกอะไรแต่เราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นไอการไม่ประมาทไว้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเข้าใจยักคิดพยักหน้างึกเงึกรับคําโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรอีกเชิดบุตรเอาปลายบูตรเขีย่ยตาตุงอเมริกันร่างยักษ์ซึ่งบักนี้กลายเป็นเพื่อนตายกันไปแล้ว โทยงงเอ้ยนี่เหรอวะพันเอกฮิยุเอซาม่ผู้อ้างว่าเคยฝ่าดงกองโจรของไอ้แก้วมาแล้วโงโ่งงีิยำเลยบุกบ่าฝ่าดงผ่านเผชิญอะไรต่อมีอะไรมาสารพัดกระพินถึงขนาดนี้แล้ะก็ยังมีคำถามโง่โง่อยู่ไม่มีใครก็บังคับเองหรอกว่ะแต่เองขี้เกียจหนักหลังจะเดินลงไมมือเปล่าเปล่าก็สุดแต่เองสิแต่ขอรู้ไว้ด้วยในโพรงถ้ำใต้ฐานสิงเนี่ย